หมอมาเรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อเยอะนะแต่กลุ่มที่เรียนได้ดีเนี่ยพวกจิตแพทย์พรหลวงพ่อสอนเรื่องจิตก็เป็นศาสตร์ของพรุทธเจ้าเราเรียนวิชาหมอมาจจะฝรั่งลองเรียนวิชาของตอนออกดูเรื่องจิตนั่นเป็นเรื่องประณีตลึกซึ้ง ไม่มีคําสอนในศาสนาไหนจะสอนเรื่องจิตได้ประนีตลิศซึ้งเท่าที่พุทธเจ้าสอนสอนละเอียดยิบเลยจนถึงขั้นว่าจิตมันมีกี่อย่างจิตมันเกิดมาได้ยังไงมันทำงานได้ยังไงคือถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เข้าใจถึงจิตของตนเองเนจะไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาหลวงปู่ดุลถึงขนาดพูดฝันทงเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นความจริงของมันว่าตัวจิตเองตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้เราถึงจะเป็นมักแล้วไม่ใช่มักธรรมดา ถ้าเมื่อไหรจิตเห็นจิตอย่างเหยี่ยมแช้งอย่างแท้จริงจะเป็นอรหัตตะมักจิตมันจะสลัดคืนความยึดถือจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปจะเข้าสู่สภาวะอีกชนิดหนึ่งซึ่งนึกยังไงก็นึกไม่ออกเป็นสภาวะที่ประหลาดนะประหลาดสภาวะจิตของเราเนี่ย มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีความปรุงแต่งภายในก็ดิ้นรนทำงานต่างๆนานาจิตทำงานได้14แบบทำงานได้ทั้ง14อย่างจิตอยู่ในภูมิต่างๆได้หลายภูมิภูมิที่วนเวียนอยู่กับอารมณ์ ทางต า, งตางหูจมูกเล่นกายใจเรียกกามาวัจระภูมิภูมิที่ไปสงบอยู่กับรูปธรรมนีเรียกรูปประภูมิภูมิที่ไปสงบอยู่ในอรูปธรรมเรียคอรูปประภูมิแล้วมีโล ก, กุตรภูมิอีกนั่นโล ก, กุตรภูมิพวกเรายัางไม่เห็นพระเจ้าสอนวิธีให้เราภานาไปถึงจุดหนึ่งจิตเข้าถึงโล ก, กุตรภูมิมีสี่ชั้น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 ไม่ใช่คำเปรียบเทียบนะเป็นสภาวะอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เปรียบเทียบเอาหลวงปู่ ด, ดูลยเคยสอนว่าภายนอกไม่มีรูปร่างไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตจิตของพวกเรามีขอบมีเขตแคบๆภายในนะหลวงปู่ดูลยท่านบอกภายในเหมือนต้นไม้และก้อนหิน คือไม่เคลื่อนไหวไม่มีความปรุงแต่งนั่นแหละไม่มีความเคลื่อนไหวจิตของเราเคลื่อนตลอดเวลานะวยยิบยยิบยับยบยบหมุนติ้วติวติ้ ว, ว, วอยู่ข้างในเนี่นนยศาสตร์ที่เราจะสามารถปลดปล่อยจิตใจใจากใจที่คับแคบนะใจที่มีความทุกข์ใจที่ถูกปรุงแต่งใจที่ดิ้นรนนะใจที่หิวไปสู่ใจที่เต็มที่อิ่มที่สมบูรณ์ได้นะเรียกว่า มีปรสนากรรมฐานการจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องการดัดแปลงจิตไม่ใช่จิตของเราไม่ดีหาทางทําให้ดีจิตไม่มีความสุขหาทางทําให้มีความสุขจิตไม่สงบหาทางทําให้สงบแค่การทําจิตให้ดีให้สุขให้สงบนั้นเป็นของตื้นๆในศาสนาอื่นก็มีแต่มันอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองสุขก็ชั่วคราว สงบเพราะช่วคลาวนะดีก็ชว่วคลาวทุกอย่างชั่วคลาวไปหมดเลยพุทธเจ้าสอนให้เราหันมารู้ความจริงเรียนรู้ความจริงของจิตจนเข้าใจความจริงของจิตความจริงของมันคือไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่าจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่ละคนจะเห็นคนละมุมกัน บางคนเห็นจิตเป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็ปล่อยวางจิตได้ถ้าคนไหนเป็นพวกทรงฌานสมาธิมากเนี่ยจะเห็นจิตเป็นทุกข์แล้วปล่อยวางจิตได้พวกที่มีปัญญาแก่กล้าจะเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา เ, เป็นของโลกแล้วคืนโลกให้คืนโลกได้ปล่อยวางไดไ้เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติ ให้เห็นความจริงของจิตใจมันรู้ความจริงของจิตใจแจ่มแจ้งแล้วมันจะหมดความยึดถือจะปล่อยวางคืนจิตคืนใจให้โลกไปสภาวะจิตจะเข้าถึงสภาวะของธรรมนะบางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกจิตที่หมดจดตรงนี้แล้วเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมธาตุอย่างหลวงตามหาบัวท่านจะเรียกสภาวะนี้ว่าธรรมธาตุ สมเด็จพาญานังวรท่านเรียกสภาวะจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนะสาด ห, หมดจดมีแต่ความสุขอิ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปูดูลเรียกจิตหนึ่งท่านพุทธธาตุท่านเรียกว่าจิตเดิมแทะหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปูบรร่บุตตาท่านเรียกว่าใจเดียวทําไมมีเดียวมีคําว่าเดียวมีคําว่าหนึ่งอะไรอย่างงี้เพราะไม่มีสอง จิตเรามีสองคือมีความกลับกลอกมีดีแล้วก็มีชั่วมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีสว่างแล้วก็มืดอนี่ยมันจะกลับกลอกส่วนจิตที่อบรมมาเต็มที่จนมันปล่อยวางจิตได้เป็นหนึ่งเดียวไม่กลับกลอกเป็นหนึ่งเดียวในแง่ที่ว่าไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นไม่มีความหิวใดๆเกิดขึ้นไม่มีความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นไม่มีอะไรจะแต่งมันได้อีกแล้ว มันเข้าถึงความสารหมดจดอย่างแท้จริงสอารอย่างนี้ไม่มีใครสอนหรอกนะแล้วไม่ใช่ปรัชญาถ้าลำพังสอนบอกว่ามีจิตชนิดนี้อยู่เราพูดลอยๆนั่นก็เป็นปรัชญาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนปรัชญาท่านบอกวิธีที่จะปฏิบัติยกระดับจิตเราเข้าไปตรงนี้ได้ด้วยแล้วถ้าเราสามารถเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอน เราเข้าใจสิ่งที่ท่านสานแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่นา น, นใจเราก็จะยกระดับขึ้นไปเบื้องต้นมันจะเห็นความจริงนะใจมันจะมีปัญญานั่นแหละอาศัยปัญญาคือความเข้าใจของจิตจิตก็จะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าท่านฟันธงเลยนะบอกว่าจิตเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยการทําทาน การทำทานรักษาศีลการทำสมาธิมีในศาสนาอื่นๆนะใครๆเขาก็มีแต่การเจริญปัญญานะั้นเป็นศาสตร์เฉพาะที่พระพุทธเจ้าค้นพบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะมาเพ่งเล็งนะพวกเราจะต้องมาเรียนก็คือ ว, วิธีเจริญปัญญาฉะนั้นทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนเนะี่ยมันจะมุ่งมาสู่ตรงนี้วิธีเจริญปัญญาก็คือวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เราสามารถเห็นความจริงของจิตใจตัวเองได้นะนั่นแหละเรียกว่าการมีปัญญาปัญญาก็คือสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณนะ์ถ้าชั้นสูงเลยก็คือความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าเบื้องต้นก็ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราอย่างร่างกายก็ประกอบด้วยรูปธรรมร่างกายนี้แยกออกไปก็แยกเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม คำว่าดินนะ่ไม่ใช่ดินนะน้ำไม่ใช่น้ำนะคาว่าดินน้ำไฟลมนะเป็นสับเฉพาะสภาวะที่เรียกว่าดินนะั่คือส่วนที่แข็งนะในน้ำก็มีดินในน้ำก็มีความเป็นธาตุดินอยู่แต่มีธาตุดินน้อยมันเลยไม่ค่อยแข็งอย่างเราโดดใครเคยว่ายน้ำถ้าโดดจากที่สูงสูงลงไปในน้ำนะหัวกระแทกน้าเจ็บกันนะ มันมีธาตุดินอยู่เหมือนกันมีความแข็งอยู่เหมือนกันแต่มันมีน้อยหน่อยธาตุลมคือความเคลื่อนไหวธาตุไฟก็คือความเย็นความร้อนของมันเป็นส่วนของพลังงานธาตุธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นตัวแรงดึงดูดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลอะไรเงี้ยถ้าธาตุน้ำมีแรงดึงดูดมากมันจะรวมตัวกันเดี๋ยวแน่น ในดินน้ำไฟลมนะมันจะไม่เหมือนที่ชาวบ้านพูดจะนกนะส่วนน้ำธรรมก็แยกได้4เหมือนกันส่วนรูปประธรรมแยกเป็นดินน้ำไฟลมส่วนนำาำธรรมก็แยกได้4ส่วนส่วนแรกก็คือตัวจิตจิตคือตัวผู้รูนะ้เป็นคนที่รู้ปรากฏการ์ทั้งหลายทั้งปวงนะอีกส่วนหนึ่งนะมี3ส่วนย่อย เรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตมันทําให้จิตเนี่ยวิจิตฟิสดานเป็นจิตที่ดีบ้างจิตที่ร้ายบ้างจิตที่สุขบ้างจิตที่ทุกข์บ้างจิตนั้นมันก็เป็นจิตนั่นแหละแต่มันแปลเปลี่ยนไปนะเพราะสิ่งที่มันมาประกอบกับจิตถ้าเทียบในจิตแค่เหมือนน้าที่ใสใส จะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงเป็นเปปซี่โค a าแฟนตาอะไรเนี่ยอยู่ที่สิ่งที่มาประกอบเข้ากับน้ำงันสิ่งที่มาประกอบเขา้ากับจิตนี่เรียกว่าเจตสิกมี3ส่วนส่วนแรกคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นจิตทุกดวงจะต้องมีความรู้สึกอันใดอันหนึ่งอยู่เสมอเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉย เวทนาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆุกดวงนะมีอยู่กับจิตทุกๆุกดวงสภาวะอันที่2องเนะจตสิกอย่างที่สองหรือส่วนมาประกอบจิตอย่างที่สองเรียกว่าสัญญาสัญญาไม่ใช่คำมั่นสัญญานะสัญญาเนี่ยเป็นความจำได้หมายรู้นะอันนี้ถ้าเราค่อยๆภาวนานค่อยละเอียดขึ้นไปเราจะพบว่าทุกวันนี้สัญญาของเราเพี้ยนสัญญาของเราวิปลาส วิปลาสยังไงปุถุชนทั้งหมดนะมีสัญญาวิปลาสคือหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะหมายรู้ของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเรียกว่าวิปลาสอย่างพวกเรารู้สึกไหมว่าวันนี้เรายังไม่ตายคิดอย่างนี้มั้ยังเที่ยงอยู่ยังไม่ตายวันนี้นะใจมันจะคอยรู้สึกนะคงที่อยู่นเที่ยง เห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหรือสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าเราพาวนาเป็นนะเราจะเห็นในร่างกายนี้เป <end> <Mine> <mother> ็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุก like ข์มากกับทุกข์น้อยแต่พอเราวิพลาสเราก็เลยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบางจิตใจเนี่ยโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วนะยกเว้นจิตที่เป็นโลคุตระไปเท่านั้นเองมันอยู่ในกองทุกข์ทั้งสิ้นเลยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ แต่เราไม่เห็นเราวิปลาสเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขว้างงั้นที่เรามาพอนานะให้จิตได้เรียนรู้ความจริงนะวันหนึ่งเราแก้สัญญาที่วิปลาสไดนะ้ส่วนที่มาประกอบจิตไอ้ที่เรียกว่าสัญญามันก็มีหลายระดับสัญญาเป็นความจำก็มนะีความจำได้หมายรู้เช่นจำไดนะ้นี่สีเขียวนี่สีแดงนี่สีเหลืองนี่จาได้ชั้นเดียว จำได้สองชั้นนก็จำมันได้ว่าสีแดงไปว่าอะไรห้ามไปนะสีเขียวเพราะว่าให้ไปได้สีเหลืองเพราะาให้รีบรบไปถ้าเมืองไทยนะเ <c oughs> ขาก็เหลือให้เตรียมหยุดนะมันนมันซ้อนหลายชั้นไดนะ้หมายรู้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวเราพ่อไม่พูดเยอะละนะมันยากเกินพวกเราจะสับสน สิ่งที่มาประกอบจิต ท, ที่เรียกว่าเจตสิก็มีเวทนานะคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจําได้หมายรู้อีกการหนึ่งเรียกสังขารคือความปรุงดีปลุงชั่วสังขารความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งสิน้นงั้นจิตของเราเนี่ยจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ว่าขนาดนั้นมันปรุงสังขารฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วขึ้นมา แล้วเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าจงปรุงแต่ของดีเนี่ยสั่งไม่ได้อย่างพวกเราเป็นจิตแพทย์นะเราก็อาจจะไปนแนะนำคนไข้ของเราว่าอย่าคิดมากสิถ้าเป็นชาวพุทธจะไม่แนะนำอย่างนั้นเนะเพราะห้ามคิดนะมันห้ามไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้หรอกหมอเองก็ยังคิดไม่เลิกเลยเราจะบอกว่าอย่าคิดมากนะรู้จักปล่อยวางซะบ้างจิตจะปล่อยไม่ปล่อยเราสั่งไม่ได้อีก ไม่มีอะไรที่ทําได้เลยงั้นพวกเราไม่ใช่หมอ ก, กระจ่องอ่อก้อยนะเรารู้าศาสนาพุทธด้วย <c oughs> เราจะรู้ว่าคําแนะนําบางอย่างเนี่ยไม่มีสาระเลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรารู้จักกลไกของจิตได้อย่างชัดเจนนราจะช่วยคนอื่นได้มหาศาลเลยบางทีไม่ต้องทําอะไรแค่เห็นหน้าเราก็รู้แล้วละ่ะว่าเพราะอะไรแต่ว่าการรักษามันมีสองส่วนนะบางคนมันเจ็บไข้ เพราะความผิดปกติทางวัตถุทางร่างกายอันนี้หมอรักษาได้เต็มที่เลยบางคนมันเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความผิดปกติในด้านความรู้สึกด้านจิตใจอันนี้ธรรมะจะช่วยได้มากมีจิตแพทย์บางคนนะรักษาคนไข้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายหลายปีสุดท้ายงัดไม้ตายออกมาแจกซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังหายนะมันไม่ต้องกินยายอีกแล้วหายเป็นได้ แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนบ้าทุกคนฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจะหายนะคนละส่วนนะถ้ามันผิดปกติทางสมองเนี่ยหมอรักษาเธอหลวงพ่อไม่มีปัญญาหรอกเราเก่งันคนละข้างนะพระเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนวิชาแพทย์หรอกแต่ในเรื่องจิตเรื่องใจนท่านประณีตมากเลยจิตน่ะเหมือนฟองน้ำเลยนะซึมซับสิ่งต่างๆเอาไว้ได้มหาศาลเลย ทั้งดีทั้งชั่วนะสะสมเอาไว้เยอะเลยแล้วก็มกันก็ถึงเวลามันก็ผลิตทํางานขึ้นมาปรุงขึ้นมาะปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาถ้าเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะเป็นศาสตร์ที่ประนีตมากลึกซึ้งมั่งไม่มีอะไรประณีตเหมือนจิตเลยจิตนี้เคลื่อนที่ได้เร็วด้วยนะเคลื่อนที่ได้เร็วเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นอันหนึ่งเนี่ยที่ข้ามมิติได้ข้ามมิติได้ ฟิสิกเนี่ยยังข้ามมิติไม่ได้เพราะงั้นฟิสิกนั้นไม่รู้จักเปลิดยังไม่รู้จักเปลิดไม่รู้จักอสุรกายไม่รู้จักสัตนรกไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักปรมโลกแต่จิตเนี่ยมันเร็วกว่าแสงข้ามมิติไปได้จะเห็นมิติเนี่ยซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ได้ซ้อนอย่างขนมชั้นนะมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ความละเอียดเนี่ยมันคนละคนละเลเยอร์กันมันอยู่ด้วยกันนะแต่มันไม่กระทบกันเลยไม่สัมผัสกันได้เลย จิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนะอบรมดีแล้วจะนำความสุขมาให้กานพวกเราอดทนนิดหนึ่งนะตั้งอกตั้งใจฟังหน่อยฟังหลวงพ่อครั้งเดียวเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะศาสตร์อันนี้ประนีตลึกซึ้งมากอย่างกว่าเราจะเรียนจบแต่ละสาขาเราเรียนตั้งหลายปีว่าจะเป็นจิตแพทย์ได้เรียนกี่ปีเท่าไหร่นะ สามปีใช่ไหมไม่ใช่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลเรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งนะไม่งั้นเด็กอนุบาลก็เรียนจิตแพทย์เป็นไปไม่ได้หรอกงั้นกว่าเราจะมีความรู้มาถึงจุดนี้นะเราเรียนมาเป็นสิบสิ บ, ส บ, สบปีแล้วนะการจะเรียนศาสนาพุทธเพิ่งเป็นศาสตร์ที่ประณีตลึกซึ้งก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอย่านึกว่ากูแน่นักหนานะยากเหมือนกันนะมันประณีต ถ้าจิตใจของเราอยู่กับตัวเรามาันจะเกิดเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะแต่าต้องมาหัดรู้หัดเห็นเราจะมารู้นะให้เห็นนะให้เห็นความเป็นจริงของจิตใจให้ได้แต่จิตใจมันมีเปลือกหุ้มมันอาศัยอยู่ในร่างกายบางคนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเรียนที่ตัวจิตตรงๆได้ต้องเรียนผ่านร่างกายมาก่อน ค่อยๆแวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตเข้ามาจนถึงตัวจิตสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่คือร่างกายนิ่งงั้นกรรมฐานจนํานวนมากเลยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะที่สอนกรรมฐานกันเนะีย่ยจะสอนลงที่กายก่อนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่กายแล้วถ้าจบลงที่กา ย, ยาต่อเข้ามาที่จิตไม่ถึงหรอกนี่เราเรียนเราต้องรู้หลักนะเราถ้าจะเรียนกรรมฐานอย่างแท้จริงเลยนะ ถ้าเรียนรู้รู้ที่จิตถ้าเรียนรู้จิตได้ก็จะรู้ทำทำก็คือตัวความจริงถ้าเรียนรู้จิตไม่ได้ให้เรียนรู้กายเพราะอะไรเพราะกายเป็นบ้านของจิตคล้ายๆเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าบ้านไว้เดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเจ้าของนั่นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายนะเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นจิตนี่บางคนไม่เข้าใจว่ามาดูกายเพื่อจะเห็นจิตนะก็ดูแต่กายอย่างเดียวนะก็เห็นอะไรเห็นกายไม่เคยเห็นจิตพัฒนาขึ้นไปไม่ได้ หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะตอนนั้นหลวงปู่ยังอยู่หลวงพ่อภาวนาก็เที่ยวออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นด้ว ย, ยไปวัดไหนวัดไหนท่านสอนเรื่องกายแต่ถ้าหลวงพ่อไปคุยกับท่านแต่ละองค์ท่านสอนจิตแต่ท่านสอนทั่วๆไปนี่สอนเรื่องกายก็เลยกลับมาถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ครับผมจะต้องเรียนเรื่องกายไหมจะต้องดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสมเพศนะสงสารนะ ว่าโอ้โง่หลายท่านบอกว่าเขาเรียนเรื่องกายก็เพื่อให้เห็นจิตนะเรียนเรื่องจิตก็เพื่อให้เห็นธรรมให้เห็นความจริงน น, นะนะถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายนะนี่บางคนเรียนถึงจิตไม่ได้ก็ เ, เรียนกายไปก่อนก็ดีกว่าเรียนฟุ้งซ่านออกไปที่อื่นนะถ้าไปเรียนออกไปข้างนอกนะยังไงชาตินี้ไม่เฉลยจิตห อ, อกจิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอก ไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ภูเขาอะไรนะีมันอยู่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เฉนั้นมาเรียนเรื่องกายก็เพื่อจะให้เห็นจิตนั่นกรรมฐานบางทีก็มีเรื่องดูกายมีเรื่องดูจิตนะแล้วแต่แต่ละคนมีกําลังแค่ไหนเขาเรียนอันนั้นแหละครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็สอนอย่างหลวงปู่สุวัตท่านเคยบอกหลวงพ่อท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ ท, ทาสมถะไวนะ้คอยสังเกตนะวิธีเรียนรู้จิตเนะี่ยไม่ได้เรียนด้วยการฟังหรอกนะธรรมะของพระเจ้าเรียนด้วยการเข้าไปเห็นเอาคำว่าเห็นเนะี่ยตรงกับคำว่าปัตสนนะปัตสนะว่าการเห็นวิปัสสนาคือเห็นถูกเห็นตรงตามความเป็นจริงหเห็นไตรลักณนะ์นะั่นเองเป็นความจริง ส่วนว่าความเที่ยงความสุขการบังคับได้เป็นของไม่จริงไม่มีใครทาได้เราจะเรียนให้เห็นความจริงทำอย่างไรเราจะเห็นความจริงของจิตได้เนี่ยคือศาสตร์ที่เราจะเรียนกันนะเรียนวันเดียวฟังยากไปฟังซีดีอดทนนิดหนึ่งนะฟังแล้วฟังอีกถ้าเราวังทิฏฐิมาน้าลงนะทตัวให้เป็น ถ้วยชาที่ว่างเปล่าแป๊บเดียวเขเข้าใจแล้วแต่ถ้าเราคิดลูกเดียวนะคิดวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลถ้ามาเอาเหตุผลมาใช้ไม่ได้นะถ้ามาเอาเหตุเอาผลมาใช้ไม่ได้แต่ต้องเข้าไปดูของจริงมันเหมือนอย่างเราจะวิเคราะห์คนไข้สักคนหนึ่งเราเอาเหตุเอาผลไปคิดเอามันถูกบ้างผิดบ้างเราต้องไปดูจริงๆว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้ น, นไปดูพฤติกรรมดูกัน ใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงเราไปดูเขาสังเกตเที่ยไปเรื่อยแล้ววันนึงเรเข้าใจเขาจริงๆลําพังใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์เองเนะี่ยไม่เข้าใจจริงถูกบ้างผิดบ้างกรรมฐานก็เหมือนกันนะถ้าเราดูของจริงไปถ้าเราดูของจริงดูกายดูใจนะอย่างที่มันเป็นไนดะ้จริงๆนะไม่นานก็จะเข้าใจว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะวิธีที่เราจะสามารถ ดูจิตดูใจของเราได้นะหรือดูกายได้นะจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นเงื่อนไขแรกเลยเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายเราจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะแต่ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยใจลอยเราก็มีร่างกายเราก็ลืมมันอย่างขณะ น, นี้มีคนเดินมามีพระมาใช่ไหมใจเราหนีไปหาไหมห้ามได้ไหมนั่นสนใจ ห้ามไม่ได้ถ้ากลัวมันจะไปก็นั่งเพ่งไหมกลายเป็นเครียดอีกนะบังคับไว้อีกนะสิ่งที่เราจะไม่ทํามีสองอันนะเผลอไปลืมตัวเองไปกบบารบังคับตัวเองเอาไว้เนี่ยสองสิ่งนี้ทำให้เราไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้นะวิปัสสนากรรมฐานเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะความจริงเบื้องต้นคือกายความจริงเบื้องปลายคือจิตถ้านะ กำลังเรามากพอเราก็เข้ามาที่จิตเลยเราจะเรียนรู้กายเรียนรู้จิตได้อันแรกต้องไม่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเช่นเห็นอะไรมาเราไปดูขณะที่เราไปดูเนี่ยใจเราลอยไปดูใจเราวิ่งไปดูขณะนั้นมีร่างกายอย่าลืมมีจิตใจเฉลิมนะขณะที่เราฟังความสนใจอยู่ที่การฟังนะขณะนั้นใจลอย ใจลอยไปฟังมีร enfin <Get S 3> ่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจขณะที่ได้กลิ่นเราสนใจกลิ่นใจก็ลอยไปไปดมกลิ่นพอใจลอยไปดมกลิ่นนะมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมเวลาที่เรารู้รสมีร่างกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมเวลาเราสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายมีสิ่งมาสัมผัสร่างกายเราสนใจมันเราจะสนใจมันนะ แต่เรามีกายเราลืมกายมีใจเราลืมใจอย่างเวลายุงกัดเนี่ยสิ่งแรกที่เราดูคือยุงใช่ไหมเราดูยุงนะเราไม่ได้ดูที่กายไม่สนใจที่กายแต่สนใจ ย, ยุงก่อนต้องจัดการมันซะก่อนนะแค่ น, นี้ต้องชําระนะยุงมีความผิดฐานลักทรัพยนะ์เราตัดสินประหารชีวิตเลยฐานลักทรัพย์นี้เดี๋ยวนะต้องตีมันเนี่ยความสนใจของเรามันไปอยู่ที่สิ่งอื่นนะเวลาที่เราคิด เราไปรู้เรื่องราวที่คิดบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้นี่แย่ที่สุดเลยใจลอยฟุง้งไปเรื่อยคิดอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหมนั่งคิดอะไรก็รู้เพลินๆไปพูดสะเพราะเลยว่าเพลินๆความจริงคิดอะไรก็ไม่รู้หลงๆไปนะนศัพท์ที่ถูกไม่ใช่คิดเพลินๆแต่คิดหลงๆไปในขณะที่เรามองเห็นนะเราสนใจสิ่งที่เห็นเราลืมกายลืมใจนะในขณะที่ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะ เราสนใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่มากระทบทั้งหลายเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจในขณะที่คิดเราสนใจเรื่องราวที่คิดมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจอย่างเราขับรถอยู่เห็นข้างหน้ามีรถชนกันเราก็จะดูรถที่ชนกันในขณะนั้นเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจยันการที่เราลืมตัวเองหรือใจลอยออกไปเนี่ยเป็นศัตรูเบอร์นหนึ่ง ที่ทําให้เราเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้เพราะเราลืมกายลืมใจนะเวลาใจลอยนะยุ่งกัดเข้าไม่รู้สึกนะนะไม่รู้สึกก็ใจมันลอยไปหรือเวลาเราบางคนเล่นไพ่คิดจะจัว่วตัวนี้ดีไม่ดีนะคิดไตร่ตรองอยู่ใจหลงอยู่กับความคิดนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะตำรวจมาสะกิดยังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยอย่ายุง่งนะไปไปกําลังคิดจะจัว่วไพยอย่อยู่อะไรเงี้ย เั้นถ้าเมื่อไหรนะเราสนใจออกนอกหลวงพู่ดูลเรีว่าส่งฉิดออกนอกเราสนใจรูปสนใจเสียงสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจในเรื่องราวที่เราคิดในขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจนี่คนทั่วๆไปเนี่ยมันสนใจออกนอกตลอดเวลาเะฉนั้นลืมตัวเองตลอดเวลาในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวเนี่ยหายากอย่างยิ่งเลยเป็นสิ่งที่หายากมากเลยคือคนที่รู้สึกตัว ในโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงนะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาก่อนนะโอกาสที่จะรู้สึกตัวนี้น้อยเต็มทีเราจะเป็นคนหลงแล้วเราไม่รู้ว่าการหลงนั้นนำทุกข์นำโทษอย่างมหาศาลมาให้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราหลงออกนอกนั่นเองนะเราไม่สามารถมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองได้ดังนั้นการที่จิตเราไหลออกไปข้างนอกไปสนใจสิ่งอื่นไปสนใจคนอื่นไปสนใจสิ่งอื่น นี่แหละคือศัตรหูหมายเลขหนึ่งของการทำวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเราลืมตัวเราเองงั้นต่อไปนี้พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยนานหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าอย่าใจลอยนะเพราะอะไรเพราะห้ามไม่ได้ใจจะลอยก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าฝึกให้มันไม่ลอยนานวิธีฝึกให้ใจไม่ลอยนานนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำไปเถอะ ท, ที่หลวงพ่อเนี่ยจะไม่มีกรรมฐานตายตัวว่าทุกคนต้องเรียนอย่างเดียวกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันนั้นทำกรรมฐานเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันใจที่ลอยใจที่หนีไปพุโทโธพุโทโธใจหนีไปหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุโทโธนะใจว่างๆใจไปไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไป หายใจไปแล้วใจหนีไปคิดที่รู้ทันนะใจไปไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันใจมันจะเคลื่อนที่ตลอดเลยมันไม่อยู่กับเนอ้อกับตัวไม่อยู่กับตัวเองไม่มีสมาธินั่นเองคือใจไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับตัวเองแต่ไหลตลอดรู้ลมหายใจก็ไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งลมหายใจบ้างบางคนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่ดูท้องพองยุบไม่ได้เอาวิเศษวิโสอะไรไม่ได้เอาความสุขความสงบอะไรหรอกนะดูท้องพองยุบไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไป เคล็ดลับของการทํากรรมฐานนี่ก็คือทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตคล้ายๆเป็นเครื่องสังเกตนั้นถ้าเราไม่ทํากรรมฐานอะไรเลยนะเราจะดูจิตที่หนีไปอย่างเดียวนี่ดูยากเพราะจิตมันหนีได้เร็วมากเลยดูไม่ทันหรอกไม่มีเครื่องสังเกตแต่ถ้าเราทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมฐานนั้นไปเราก็จะรู้แล้วว่ามันหนีไปละหรือเห็นว่ามันไหลเข้าไปอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานนั้นนะอันนี้ก็จิตออกนอกเหมือนกันจิตเคลื่อนไปเหมือนกัน จิตเคลื่อนอย่งเคลื่อนได้2อย่างนะเคลื่อนหลงไปเลยลืมตัวเองไปเลยหลงไปคิดส่วนใหญ่ก็เคลื่อนเข้าไปเพ่งอารมณ์ที่เรากําลังกําหนดอยู่นั่นแหละอย่างพุตโต้ฟุตโธบางคนก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่ฟุตโธบางคนก็หนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ลมหายใจแลบางคนก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะใจจะแน่นๆขึ้นมาหน่อยหรือบางคนก็หนีไปคิดเรื่องอื่นดูท้องพองยุบบางคนก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องบางทีก็หนีไปคิดเรื่องอื่น เดินจงกรมบางคนก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้านะยกเท้ายา่างเทารู้หมดเลยทีเ้าใจก็หนีไปที่อื่นให้เราคอยรู้ทันใจที่หนีนะทำกรรมฐานไม่ใช่ว่าห้ามใจหนีไปนะใจหนีไปเนี่ห้ามไม่ได้ธรรมชาติของจิตนั้นทเที่ยวเล่นไปเรนะื่อยเที่ยวไปอย่างรวดเร็วเลยพระเจ้ายัางบอกเลยนะจิตมันอาศัยอยู่ในกายนี้แหละนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิต น, น, ตนี้เที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพุทธเจ้ายังว่ามันหนีไปเร็วเลยนะ คอยสังเกตเอาทำกรรมฐ า, านอย่างหนึ่งแล้วค่อยสังเกตคอยค่อยรู้ไปสบายๆหนีเรารู้หนีเรารู้นะไม่ใช่ห้ามหนีนะถ้าห้ามหนีจะกลายเป็นเพ่งเอานะเพ่งเอานี้จะไม่เกิดปัญญาเลยแล้วสมาธิที่เกิดจากการเพ่งใช้ไม่ได้อย่างแน่นๆเครียดๆจิตจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแต่ถ้าเราทํากรรมฐ า, านอย่างหนึ่งแล้วจิตมันหนีไปเรารู้ว่ามันหนีไปนะหนีไปคิดก็หนีไปเพ่งหนีได้สองแบบ นีไปคิดรู้ทันหนีไปเพ่งรู้ทันใจ้็จะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเพราะฉนถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องจิตนะแรกเลยก็คือทํากรรมฐานสัยางหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเอาไว้จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปเพ่งรู้ทันนะฝึกอย่างนี้มากๆนะนี่แหละเป็นวิธีที่ต่อไปจิตขยับตัวคลิกเดียวเราก็จะเห็นโดยไม่ได้เจ ต, ตนานจะเห็นนะแล้วถ้าชำนิชำนันนะฝึกไปเรื่อยๆ บางคนเนี้ยรู้จิตคนอื่นด้วยนะจิตเขาขายาบเขยืงเคลื่อนไหวอะไรนี่รู้หมดเลยแต่หลวงพ่อจะบอกความลับให้ข้อ น, นึงการรู้จิตคนอื่นนี้ง่ายกว่าการรู้จิตตัวเองเหมือนอย่างเราดูคนอื่นเนี้ยจะง่ายกว่าดูตัวเองดูตัวเองเราจะดูเพี้ยนตลอดเลยนะเราว่าเราดีตลอดนะดูคนอื่นเราเห็นเร็วโน้นเร็วนี่ดีบ้างเลวบ้างเราเห็นนะแต่ดูตัวเองนี่ถูกตลอดดีตลอดเลยยัง na, สิ่งที่ดูยากที่สุดก็ตัวเองนั่นแหละ การดูจิตคนอื่นเนี่ยหมูมากเลยนะง่ายมากเลยเขาอยู่อเมริกาเรานึกถึงปุ๊บรู้เลยว่าจิตเขาเป็นยังไงแต่ตัวเราเนี่ยจิตอยู่กับตัวเราเนี่จิตเป็นยังไงไม่รู้ตอนที่นึกถึงเขาจิตที่อเมริกาจิตเขาเป็นยังไงรู้หมดนะตอนนั้นจิตเราเป็นยังไงจิตเราหลงไปอเมริกาสิะจิตเราหลงไปอยู่ที่อื่นเลยไม่เห็นตัวเองนะงั้นที่จะไปรู้จิตคนอื่นเนี่ยเรื่องง่ายนะแต่จะรู้จิตตัวเองนี่ยากกว่าเพราะงั้นแนะนําว่าเบื้องต้นนะ่ อย่าสนใจเรื่องจิตคนอื่นก่อนให้สนใจจิตของตัวเองก่อนถ้ามัวจะไปดูจิตของคนอื่นนะจะไม่ดูจิตของตัวเองอีกแล้วนะแล้วชาตินี้จะพัฒนาไม่ได้จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของจิตจนปล่อยวางนะั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะเอาวันนี้เรียนได้เท่านี้ก่อนนะไปทานข้าวกันนี่หมดเลยครับ